พระธรรมเทศนาลำดับที่สาโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมแก่คณะคารวะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าเราเตือนท่านแล้ววันนี้นับว่าเป็นทุกวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะสงฆ์อำเภอบ้านผือ แต่ไม่รู้เท่าไรเต็มศาลาชั้นบนของหลวงพ่อนั่งเต็มไปหมดแล้วก็พร้อมกันกับพี่น้องประชาชนาทุกหมู่เหล่าได้มาพร้อมกันก็เต็มศาลาทั้งชั้นบนชั้นล่างก็มีทา ย, ยาทโจมก็มากาที่นั่งอยู่ชั้นล่าง เ, าเพื่อทำการคาระวะครูบาอาจารย์เมื่อกี้นี่หลวงพ่อก็ได้ถามหลวงพ่อบุญเหลือว่าไปกี่วัดแล้ว ฟังดูแล้วก็เป็นห้าหกวัดวัดของหลวงพ่อเนี่ยเกือบจะเป็นวัดสุดท้ายอีกวัดบ้านสว่างคือวัดหลวงปู่แผงก็เป็นวัดสุดท้ายก็จากนั้นก็คงจะได้แยกย้ายกันกลับอันนี้พวกเราถือเป็นประเพณีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคือประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเมื่อเข้าพรรษาแล้วก็ จะได้ไปกราบคารวะกูบายอาจารย์ที่มีอายุพรรษาเหนือกว่าที่พวกเรารักเคารพนับถือที่มีอายุพรรษามากกว่าแล้วก็พวกเราก็เข้าไปกราบคารวะท่านทำวัดท่านตามประเพณีคือมุดน้ำดำหัวนี่แหละอันนี้ก็พวกเราก็ได้ทำกันมาและอีกหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็จะได้ไปกราบคารวะกูบายอาจารย์ที่เหนือกว่าอีกเหมือนกันก็ยังคิดคิดกันอยู่ แต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็ไปนู่นไปวัดหลวงปู่จามก็ได้ไปกราบคารวะหลวงปู่จามก็ผ่านมาแล้วแต่ในพรรษานี่ก็คงจะไปกราบครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าหลวงพ่อเนี่แหละอันนี้ก็คือทําตามเป็นขั้นๆ ข, ขึ้นไปไม่ได้ดูได้อย่างหลวงพ่อเองก็อยู่กับหลวงตามหาบัวพอเข้าพรรษาท่านก็ไม่ได้พาคณะศรัทธาญาติโยมไปเป็นหมู่เป็นคณะ แต่ว่าพระในวัดของท่านท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านจะไปก็ไม่ว่าอะไรแต่ตัวของท่านเองหลวงพ่อเองเป็นผู้จัดผ้าอาบน้ําดอกไม้ทูบเทียนไม้สีฟันเตรียมรอไวอ้ดังที่ท่านจะไปกราบหลวงปู่ขาวอย่างนี้ท่านก็บอกเออเราจะไปกราบหลวงปู่ขาวในวันนี้เราก็ได้เตรียมเครื่องคาระวะไปจากนั้นท่านก็ไปท่านก็กราบหลวงปู่ขาวเสร็จแล้วท่านก็ยกดอกไม้ จบบนศีรษะของท่านนานอธิษฐานเสร็จแล้วท่านก็ถวายหลวงปู่ขาวเนี่ยวางทีท่านว่าวันนี้จะไปวัดหลวงปู่เทศเนี่ยเรก็ถวายท่านท่านก็ไปถวายหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นเพราะสมัยนั้นครูบาอาจารย์มีมากหลวงตาท่านก็ไปคารวะท่านไม่ได้ดูดายสรุปก็คือท่านไม่ได้ดูดายาท่านมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่พวกเราจะอยู่ด้วยด้วยกันด้วยความสงบร้มเย็นผาสุขได้ ก็ต้องอาศัยความพร้อมเพียงสมรูครีต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่แต่ถ้าว่าพวกเราตีเสมอหรือว่าไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่แล้วไม่มีการฟังใครแล้วพพดอะไรออกไปแล้วก็ไม่มีใครฟังใครโตเถียงกันหรือว่าไม่ยอมรับกันพระพุทธศาสนาก็คงจะไม่ยืนยาวมาถึงขนาดนี้เพราะนั้นพวกเราทุกท่าน ที่เป็นพระสงฆ์ก็ต้องอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยต้องอยู่ในกรอบของอาวุโสพันเตผู้มีอายุพันศามากพวกเราก็ให้ความเคารพยกย่องเพราะท่านเป็นผู้บวชกรมีอายุพันษาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ไปคารวะหรือทำวัดเนี่ก็นี่แหละเรายึดถือปฏิปทาหรือ ว, ว่าแนวทางของพระธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้าสมัยครั้งพุทธกาล พระสงฆ์อยู่ด้วยกันขาดความเคารพกันคือคล้ายๆว่าไม่ให้ความไม่ให้ความเคารพกันแย่งกันกุฏิที่พักพาอาศัยเนี่ยใครใครใครใจะจะอยู่หลังไหนก็อยู่คล้ายๆว่าไม่มีพี่ไม่มีพระที่มีอายุพรรษาไม่ให้ความเคารพกันไม่ได้ยำเกรงกัน พราะพระเจรแ้วท่านเรียกพระภิกษุสงฆ์เข้ามาไปเข้ามาประชุมบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอยู่ด้วยกันต้องถือการอาวุโสพันเตท่านก็ถามเลยถามว่าพวกดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายการที่จะยกย่องด้ววือว่าการเป็นผู้ที่จะเป็นผู้นําและเป็นผู้เดินหน้าหรือเป็นผู้ใหญ่หรือนั่งก่อนเดินก่อน เป็นที่เคารพกราบไหว้นั้นพวกท่านทั้งหลายเห็นว่าสมควรกับบุคคลเช่นไรพระสงฆ์พระพุทธเจ้าถามคณะสองฆ์เนีกยอย่างนั่งอย่างนี่ย พ, พ, พระสงฆ์ถามพระสงฆ์ในชุดเหล่านั้นก็มีทั้งมหากษัตริย์ออกมาบวชมีทั้งพราหมณ์ออกมาบวชมีทั้งกหาบดีออกมาบวชมีทั้งพ่อค้าประชาชนหลายหมู่หลายคณะตอนี้พวกกลุ่มใดก็บอกว่าควรจะยกผู้ที่เป็นกษัตริย์ ที่เป็นกษัตริย์เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาแล้วออกมาบวชควรจะยกให้ท่านเป็นผู้ใหญ่เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าน่าจะยกให้แก่พรามมหาสารที่เป็นมีทุกสิทธิลูุกหาเป็นที่ยอมรับในคนในแวนแควนควรจะให้ท่านเป็นผู้ใหญ่เพราะท่านเป็นเคยเป็นผู้ใหญ่เป็นที่ยอมรับของคนอยู่แล้วเมื่อท่านมาบวชแล้วน่าจะยกให้ท่านเป็นผู้ใหญ่ คล้ายๆวัพพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นก็มีความเห็นแตกแยกกันพอสมควรต่างคนก็ต่างเชิดชูบูชาผู้ทีต่ตัวเองรักเคารพนับถือพระพระทุทธอง์ก็บอกว่าพวกไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพระองค์บอกว่าควรใครบวชก่อนคนนั้นแหละเป็นอาวุโสถึงจะเป็นลูกชาวไล่ชาวนา พ่อค้าประชาชนกรรมกรแต่ถ้าว่าบวชในพระพุทธศาสนาผู้บวชก่อนบวชก่อนหนึ่งนาทีหนึ่งละครึ่งวิถ้าลงนาทีเกินครึ่งนาทีอย่าง น, นี้ก็ยังคนนั้นเป็นอาวุโสถึงจะบวชนาคซ้ายนาขวาคือบวชพระอุปชาเดียวกันสามนาคนาคสามสาคนพระบวชมาเสร็จออกมาแล้วเนี่ย ยังมีนาคที่หนึ่งที่สองที่สามคือนาคขวาเนี่ยเป็นเป็นผู้มี อ, อาวุโสนั่งก่อนเดินก่อนเดินบิดเท่บาทก่อนนั่งก่อนนั่งสูงกว่าองค์ที่บวชในข้างก็ต้องกราบกราบที่องค์ที่เหนือกว่าที่เป็นอาวุโสคื อ, อพระที่บวชนาคข้างขวาพระอุปชาญแต่ถ้าหากว่าอย่างสมานเณรอย่างสมานเณเข้ามาบวชแล้วคนหนึ่งเป็นฆราวาสมาบวช ท่านก็ให้ให้เกียรติสัมมเณีนนะเพราะสัมมเณีเป็นผู้มีศีลเป็นผู้รักษาศีลมาก่อนท่านก็ให้สมมาณีเป็นผู้เป็นเป็นผู้นั่งเป็นบวชก่อนอาวุโสคือนั่งขวาพระอุปัชฌาย์จากนั้นกับญาติโยมที่มีอายุก็บวชเป็นรองลงไปอันนี้คือคือการบวชอันนี้คือคือการถือเอาอาวุโสพันเตในครั้งพุทธกาลก็มีปัญหากันมาในพระพุทธเจ้าท่าน ตัดสินเลยฟันธงเลยว่าผู้ที่บวชก่อนผู้นั่นแหละเป็นเป็นพระที่มีมีอาวุโสพระที่บวชมาทีหลังก็ควรจะเคารพกราบไหว้พระที่บวชก่อนตัวเองถึงจะบวช ด, ด้วยกันแต่นาคไหนที่เป็นนาคขวาก็วควรจะให้คนนั้นเป็นผู้เดินก่อนนั่งก่อนเป็นอาวุโสเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่า พวกเธอท่านทั้งหลายมาบวชในศาสนาของเราตถาคตเป็นผู้แนะนําสั่งสอนให้พวกท่านทั้งหลายพ้นทุกข์ให้เสียสละตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ไม่ยึดมั่นไม่ยกย่องลาบยศสรรเสริญให้ยึดธรรมเป็นหลักให้ยึดธรรมเป็นใหญ่ถึงขนาดนี้พวกท่านก็นยัง ยังมีทิฏฐิมานะต่อกันแต่สมัยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นพระโพธิสัตว์เราเป็นพระโพธิสัตว์เราอยู่ด้วยกันเป็นสัตว์ต่างประเภทพวกเรายังให้ความเคารพกันแต่พวกท่านทั้งหลายมาเพื่อจะละกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่แล้วแต่ทำไมพวกท่านจึงมาสังสมทิฏฐิมานะแข่งแย่งกันด้วยเรื่องราบเรื่องเรื่องยศเหล่านี้ อันนี้พระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามันสมัยไหนพระเจ้าข่าที่พระองค์เป็นสัตว์ที่ไร้ชาตและยังยังให้ความเคารพกันพระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยหนึ่งเราเกิดสมัยหนึ่งมีสัตสามสหายมีนกกระทามีลิงและก็มีช้างอยู่ด้ด้วยกันอยู่ในป่า อยู่ในป่าดงป่าดงลึกต่นนี้ทั้งสัตว์ทั้งสามตัวพอเห็นกันแล้วก็รู้จักมักคุ้นกันรักกันนี่แหละอันนี้คือสรุปแล้วก็คือถึงจะเป็นสัตว์ที่ไรฉันแตกต่างประเภทกันลิงใช่รือ่าลิงนกกระทาช้างมันคนละแนวกันแต่พอเห็นกันรักกันเพราะเหตุใดเพราะในอดีตชาติทั้งสัตว์ทั้งสามตัวนก็คงได สร้างบุญมาด้วยกันทำบุญมาด้วยกันเออเคยอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องกันลักษณะอย่างนั้นน่ะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันทำบุญอย่างนี้น่ะไปที่ไหนก็ไปด้วยกันพอเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเห็นกันก็รักกันชอบกันไม่เบียดเบียนกันให้อภัยกันแต่ถ้าว่าพวกเราเป็นอริเป็นศัตรูกันในชาติที่แล้วพอมาเห็นกันเอ๊ะทาไมคนคนนี้ทาไม เราเราไม่ได้รู้จักมักคุ้นมาก่อนพอเห็นแล้วมาทําไมมันขวางตาแท้มันเป็นอย่างนั้นนะไอ้ ใ, ใครๆว่ามันมันตะกิดตะขวางในใจคนคนนั้นแสดงว่าเคยเป็นอริเคยเป็นศัตรูกันในอดีตชาติมาแล้วนะพอมาชาตินี้ถึงจะไม่ได้พูดอะไรมันก็ขวางในใจมันมีนะนอันนี้คือพระในสัตว์ทั้งสามตัวก็เช่นเดียวกันพอเห็นกันมันรักกันท้นี่ยตอนี้ก็ มันก็พูดกันเป็นภาษามันรู้เรื่องกันใช่ไหมท่านบอกว่าเอ๊ะพวกเรานี่ใครเกิดก่อนกันเออเราจะเอาอะไรเป็นหลักทีนี้เขาก็ไปอยู่ที่ต้นไซตต้นหนึ่งเอต้นไซต์ต้นนั้นมันก็เป็นดอกเป็นเป็นลูกออกมาแล้วได้กินเม็ดกินหน่วยกินผลแล้วทีนี้ก็เลยถามกันว่าไอ้นกนกกระทาก็บอกว่านี่นะไอ้ผม ต้ไมก้กอดแถวๆนี้น่ะเป็นที่เวงว้างเป็นที่โล่งไม่มีอะไรแต่ข้าพเจ้าเนี่ยไปกินมเมล็ดไสต้นนู้นน่ะต้นใหญ่ๆต้นนู้นน่ะพอกินเสร็จแล้วก็มาหากินแถบนี้มาถ่ายถ่ายแถบนี้แล้วก็เห็นต้นไทเกิดขึ้นแสดงว่าต้นไทตัว น, นี้เกิดเพราะอุจจละของข้าพเจ้า พอข้าพเจ้าไปกินต้นไทรตัวนั้นมะก็พันธ์อันเดียวกันแต่เลียงบอกว่าอมผมต้นไทรต้นนีน้เมื่อผมมาบริเวณเนี้ยผมยังได้งแงะคอกัดยอดไทรกินอยู่ออต้นไทรต้นนี้คล้ายๆว่าเอการว่าก็นั่งลงแล้วก็ยื่นขึ้นคอขึ้นไปไปกัดยอดไทรกินอต้นจะแสดงว่าเรานี่ย เกิดที่หลังนกรนกระถานกกระานี่ถ่ายถ่ายลงมาแล้วก็เป็นเม็ดขึ้นมาช้างก็บอกว่าอืมผมมาหากินกับแม่มาเดินผ่านบริเวณนี้ต้นไทรตัวนี้เพียงสีข้างเพียงสีข้างของผมแสดงว่าผมต้องเกิดที่หลังพวกท่านเพราะว่าเราเราเดินมาเนี่ยต้นไทรตัวนี้เพียงสีข้างของข้าวใเจ้ามันใหญ่พอสมควรแล้วจากนั้นก็รู้ได้ว่านกกระานเนี่ย เป็นพี่ใหญ่ลิงเป็นน้องช้างเป็นน้องเล็กเพราะเกิดเกิดทีหลังนี่แหละจากนั้นมาทั้งสามสหายทั้งสามตัวเนี่ยก็เออถ้าเป็นอย่างนี้ออก็ขอหยกนกกทาเป็นพี่ใหญ่เพราะว่าเออเป็นผู้เกิดก่อนลิงเนี่ยเป็นตัวที่สองช้างเออเป็นตัวที่สามใครว่าเป็นน้องในสามตัวที่อยู่ด้วยกัน จากนั้นสัตว์ทั้งสามตัวในเขาก็รักกลมเกียวสมัคคีกันพึ่งพาอาศัยกันให้ให้ให้ความครบนบกกระทาที่เป็นสัตว์ที่เกิดก่อนเป็นพี่ใหญ่นี่แหละขนาดเราเป็นสัตว์ทิรฐิฉานเราไม่ได้รับการอบรมที่ไหนเลยนิสัยอุปนิสัยใจคอของเราอย่างลึกๆที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเรายังเคารพ นับถือซึ่งกันและกันเพราะเกิดก่อนนกกระทาเกิดก่อนลิงเกิดที่สองช้างเกิดที่สามก็ให้ความเคารพกันอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขในชาตินั้นแต่พวกเธอท่านทั้งหลายมาบวชในาศาสนาของตถาคตพร้อมที่จะลดละกิเลสโลภโกรดหลงพร้อมที่จะละกิเลสตัดกิเลสเพื่อทางพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแต่ทําไมพวกท่านจึงมาสังสม สิ่งเหล่านี้นี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธญาณท่านสอนในครั้งพุทธกาลถ้ามาเปรียบเทียบกับยุคสมัยของพวกเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็ตามจะเป็นฝ่ายกระยุบว่าดญาติโยมเป็นที่เป็นลูกจิตพุทธศาสนิกชนของพระพุทธญาณให้พวกเราให้รู้จักกาลเทศการสถานที่บุคคลให้พวกเราให้สํารวมระวังให้รู้จักวัยเยาวศ คุณนวศให้รู้จักครูบาอาจารย์ถ้าพวกเราอยู่ได้กันด้วยความเคารพยำเกรงกันให้ความเคารพนับถือกันหลวงพ่อว่าพวกเราจะอยู่มากน้อยขนาดไหนก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันอย่างนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคฆราวาส ด, ด้วยนะและก็พร้อมกันในพรรษา 2,554 อยู่อยงอยู่ในขณะนี้มาได้กลึงเดือนกว่ า, วาแต่ถึงยังไรพันศาการเนี่ยมันไม่ใช่ผ่านไปแต่พันศาการชีวิตของพวกเราก็ผ่านไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างหลวงพ่อปีนี้หลวงพ่ออายุ67ปีแล้วนะไม่ใช่หนุ่ ม, มแล้วอีกไม่นานก็ถึง70ปีก็ผ่านเข้าไปเรื่อยไม่รู้ว่าจะอยู่อยู่นานไปสักเท่าไหร่ เพราะด้นหลวงพ่อเองจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไอ้สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อชุมชนต่อพระพุทธศาสนาต่อพี่น้องประชาชนหลวงพ่อจะพยายามทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสรุปแล้วก็คือคิดดีทดําดีพูดดีไอ้สิ่งไหนที่จะเป็นผลดีเราจะทําสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน ทั้งทั้งเป็นครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายหรือคืขนาดขนาดพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าหลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเราคิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะชีวิตของพวกเรามันไม่ยืนยาววันนี้มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยอีกเท่าไหร่พวกเราจะต้องจำใจจักลากันไปแล้วอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่าพวกเรารอวีซ่ากันอยู่จะเนี่ไม่น่าจะปิด แต่พูดคานี้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเอาความตายมาขู่กันไม่ใช่นะเอาความจริงมาพูดให้กันฟังพอรักกันเมตตากันบอกว่าพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แนะ่นอนไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเราจะจากกันไปเมื่ อ, อไหร่เพราะนั้น อ, อพวกเรามาเกิดนี่เหมือนับมาคอยหรือมารอวีซ่ากันอยู่ วีซ่าตกมาเมื่อไหรพวกเราก็จะต้องได้ไปเดินทางในวันนั้น น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้บอกได้กล่าวได้เตือนพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็ยังยกเป็นนิทานของเมืองจีนนะหลวงพ่ออ่านอ่านดูแล้วก็นึกนึกขำแต่มันขำไม่ออกเพราะงขำไม่ออกยังไงก็คือเขาเขียนว่านะเป็นหน้าคิดนะเขาบอกว่ามีตาแก่คนหนึ่งอายุเจ็ดสิปี แต่แก่ก็ตายแบบกระทันหันตายแบบปุปปับแบบนั้นพอตายไปแล้วที้การตายของเขานะั้นมันมีช่องนะเหมือนกับเราไปขึ้นสนาไปขึ้นเครื่องบินนะนะั่นแหละไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปไต้หวันไปจีนมันมีช่องของของใครของเราไปยุโรปไปตะวันออกกลางอย่างนี้นแต่นี้วิญญาณของคนที่ตายไปเหมือนกันพอตายไปแล้วกลุ่มนึงก็ไปสวรรค์ ค น, คนหนึ่งไปพรมคนหนึ่งไปสวรรค์กลุ่มหนึ่งก็ไปเตรียมตัวที่จะไปเกิ ด, ดกลุ่มหนึ่งก็ไปเป็นชัดทิรฐิฉานกลุ่มหนึ่งก็ไปเป็นเปรตคนหนึ่งจะไปตกนรกมันเป็นช่องช่องช่องของใครของเราแต่ตะแกคนนี้พอตายไปไ ป, ไปช่องนรกเลยไปช่องนรกทหารโยมทวดเขาก็หิ้วปีกสองข้างไปไปแต่ตะแกคงจะทําอะไรก็ไม่รู้ล่ะ พอไปตาแกก็นึกโมโหเพราะแกเคยเป็นทนายความมาก่อนเนี่ยเคยเป็นทนายความมาก่อนเคยว่าความเนี่ยคือหัวหมอพอสมควรเลยแต่ตายลงไปท่นี่ตายแบบกระทันหันท่านี่หัวใจวายพอตายไปแล้วก็ ย, ยมมาโทษเนี่ยทำไมเอาข้ามาเนี่ยทำไมไม่บอกไม่กล่าวข้าเลยนายตาไม่จริงน่าจะบอกล่วงหน้าสักหน่อยก็ยังดีเพราะว่า นี่สินของข้าพเจ้าก็มีพิ่นากองพิ่นกรรมของข้าพเจ้าก็มีและข้าพเจ้าไม่ได้สั่งเสียใครใคเลยเอามาแบบปรับปรับอย่างนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับเราเลยยมบรรทุกที่ทําแบบนี้แบบผดเด็จการจนเกินไปน่าจะบอกกล่าวเราก่อนเน่ยอันนี้คือทนายความคนแก่คนนั้นเขาก็โมโหอยู่ในใจแต่นี้ยเขาก็ทหารยมบทูกเขาก็ได้เวลาเขาก็เอาตะแก่ขึ้นศาล อขึ้นสารไปหายยมมาโทษยมมาโทษก็นั่งบันหลังฮะแต่ใ น, นตาแกก็ขึ้นไปเพราะขึ้นไปตาแกก็ตะบันหน้าใส่ยมมาโทษเลยอบอกว่าเอ้ยเท่านยมมาโทษท่านทํากับข้าพเจ้าไม่เป็นธรรมเลยตามพร่จิงน่าจะบอกกล่าวข้าพเจ้าก่อนก่อนที่จะเอาข้าพเจ้ามาอันนี้ท่านไม่บอกเลย ข้าพเจ้าไม่ได้สั่งเสียไม่ได้ลางสั่งลาใครทั้งหมดและพินัยกรรมของข้าพเจ้าก็ไม่ได้ยังไม่ได้มอบให้แก่ใครทำไมท่านทำกับข้าพเจ้าอย่างนี้แสดงว่าท่านทำแบบโดยพระการไม่ให้ความเป็นธรรมกับพวกเราเลยเท่านทาต่อไปท่านจะทำอย่างนี้นะกับคนอื่อนๆเขาหน้าหนะี่ยแต่แก่ว่านะแต่ทีนี้ยมมาทูดกบท่านขอให้ลง อ, อันนี้เป็นปารโลกนะ ไม่ใช่มนุษย์โลกนะพูดอะไรต้องระวังพูดอย่างนั้นได้ยังไงเราเตือนไม่รู้ว่ากี่ครั้งแต่แกไม่ฟังท่านเองแต่แก่ท่านเตือนข้าพเจ้าที่ไหนไม่เห็นท่านเตือนเลยพอปุบ ป, ปับเข้ามาเลยโยมมโทวนอา้าวทวนความจำํำทวนความจําอายุเท่าไหร่ใส่แว่นตาแต่แก่ก็นั่งคิด สี่สิบครับทำไมจึงใส่เพราะผมดูหนังในโทรทัศน์แล้วก็อ่านหนังสือมันตัวหนังสือมันซ้อนกันผมก็เลยใส่แว่นครับอทางยมมาโทษวะนั่นแหละเราจดหมายฉบับที่หนึ่งเตือนแล้วเนี่ยแก่แล้วนะงานได้ใส่แว่นนี่แหละจดหมายฉบับที่หนึ่งแล้วฟันหลุดอายุเท่าไหร่อายุห้าสิบครับทำไมจึงหลุด โอ้วันนั้นกินเลี้ยงครับก็เลยไปเชี่ยวน่องไก่ก็เลยฟันเลยหลุดนะนั่นแหละจดหมายฉบับที่สองฮะนี้จบมาโทษเขาว่าเขาก็เตือนไปเรนะื่อยเนี่ยผมเขาอายุเท่าไหร่เอออายุห้าสิบกว่านั่นแหละจดหมายฉบับที่สามฮะเอ่อเราเตือนแล้วแต่ไม่ฟังลุงไม่ฟังเจ้าไม่ฟังและจะให้เราทํอยังไงเออพอฟันหลุดก็หาฟันปลอมมาใส่ พอตาไมา่มองไม่เห็นก็หาแว่นมาใส่ถ้าพอผมขาวก็หาสีดำมาย้อมมาย้อมเข้าไปอีกไม่ยอมรับความแก่ตนเองอันนั้นมันแก่นะต่อไปแล้วแก่ไปถึงไหนแก่และก็เจ็บตายนี่มันไม่ใช่มันไม่ถอยหลังนะมันไม่ฟังใช่เองเพราะนั้นการที่ไม่ฟังอย่างนี้แปลว่าดื้อด้านไม่ยอมรับความจริงไปทหารยอมมาโทษเอาไปลงนรกให้เข็ด เออต่อไปจะได้เข็ดได้หลบับอย่าไปทําความชั่วอีกต่อไปจากนั้นทหารจมบทูดเขาก็เลยลากไปไม่รู้ไปไหนลนะคุณลุงพอต่อมาอีกจะนี่ไอ้เด็กหนุ่มคนหนึ่งตายไปก็ไปยืนอยู่ทางหลังที่จะจะเข้าไปเป็นคิวที่สองเข้าไปก็เด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าท่านจมบันทูดครับที่ท่านพูดกับคุณลุงเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้ยิน บอกว่าท่านเตือนผมก็ยอมรับได้ครับเพาะท่านเตือนแต่ผมเนี่ยอายุยังน้อยหนุ่มท่านไม่เห็นเตือนผมเลยท่านก็เอาผมมาแล้วเนี่ยจะให้ผมแสดงว่าไม่เป็นธรรมสาหรับผมเหมือนกันยมมาทูดบอกว่าไอ้หนูอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ยี่สิบสองครับแล้วเพื่อนของแกล่ะตายไปมีไหมมีครับอายุเท่าไหร่ยี่สิบสามครับเขาเป็นไรตายเขาหัวใจเขา เออเป็นปอดบวมครับตายแต่แกล่ะเออผมเป็นไตครับไตวายครับผมมรัยตายนั่นแหละการเตือนของเราไม่ใช่เตือนประเภทเดียวกันนะเราเตือน เ, ออเพื่อนของแกเน่ยอายุไล่เลี่ยง ก, กันน่ะตายน่ะเออเป็นโรคปอดนะโรคปอดบวมน่ะตายไปทําไมแกไม่คิดว่าอีกสักวันหนึ่งขนาดเพื่อน รักกันแท้ๆเขาอย่างตายอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายเหมือนกับเพื่อนนะเออทำไมไม่คิดเห็นคนตายต้องน้อมเข้ามาหาตนเองที่ว่าอีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องอาตายเหมือนกับคนทั้งหลายจากนั้นตัวเองก็ตั้งอยนในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะรักศีลสาศีลไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศ เ, เรือว่าปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ให้ทานรักษาศีลภาวนาเอปฏิบัติครูบาอาจารย์ปฏิบัติพ่อแม่เป็นคนดีสรุปให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีสิ่งที่มันชั่วช้าอย่าไปทํานี่แหละตัวเองก็น่าจะตั้งตนได้แต่นี้ทําไมไม่คิดว่าตัวเองจะตายเอาเถอะอันนี้ยังน้อยหนุ่มหยุดไปยังไม่ได้ทํำบาปกลับมาเลยมากไปไปหาเกิดซะต่อไปให้ระวังนะอกลับมาคราวหน้านะอย่าให้มีอย่างนี้อีก นี่แหละโยมมาโทษเขาเตือนนะเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะเนี่ยนะโยมโยมมาโทษเขียนจดหมายมาเตือนเรากี่อย่างแต่อย่างหลวงพอนะ่อได้ใส่แว่นนะั้นโยมมาโทษเขาเตือนมาฉบับที่หนึ่งแล้วนะนั่นหลยก็เห็นผมขาวอีกหน่อยๆเหมือนกันเขากําลังเตือนมาอีกเพราะฉะนั้นพวกเราคณะสัตยาิโยมที่ได้ฟังเสียงหลวงพอนะ่อเนี่ยขอให้พวกเราตรวจตราดูตนเองว่าโยมมาโทษเขาเตือนมากี่ฉบับแล้ว พวกเราควรจะทําตนอย่างไรควรจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรในพรรษาที่จะถึงนี่ที่ถึงอยู่เดี๋ยวนี้น่ะหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดก็ตามดื่มดื่มน้ำเมาอยู่ทางงดได้ก็ดีถ้าสูบบุหรี่อยู่ทางงดบุหรี่ได้ก็ดีแต่ บ, บุหรี่นี่ก็ไม่ถึงกับผิดไม่ผิดศีลธรรมอะไรดอกแต่ว่าทุกวันนี้ทาง กฎหมายแร้วว่าทางแพทย์เขาบอกว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งตนเองด้วยทั้งผู้เกี่ยวข้องอยู่ใกล้ด้วยทําให้เป็นมะเร็งปอดได้ง่ายทําให้เป็นโรคปอดได้ง่ายอันนี้ก็คือเขาเตือนแต่ตามไม่จริงทางงดได้ก็ดีเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ส่วนสุรานั้นมันผิดจริงๆมันเป็นโทษจริงๆเพราะอะไรในหลักของพทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุราเมระยะมัชฌะปามา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วเมื่อเมาสุราเมื่อพิจุลาออกแล้วเนะี่ยทำให้สวองของเราปั่นปวนเนเมื่อเราเมาเหล้าเข้าไปแล้วเมาสุราแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนมันตั้งขาดจิติคนขาดจติทำความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าได้ได้ทั้งหมดเพราะแหละเพราะเราขาดจติอาทินนาทาน ขโมยของใครก็ได้เพราะอะไรเพราะขาดสติข้อที่สามการ ม, มีสมิจสาจาราวรม์มณีละาบลา ล, ล, ล, ล, ลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะเราขาดสติโกหกใครก็ได้เพราะเราขาดสติเพราะฉะนั้นศิลห้าของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยคือศินข้อที่ห้าเป็นสินที่อันตรายข้อหนึ่งผมนั้นขอฝากไว้กับคณะสัทยาดโยมทุกๆ ท, ท, ท่านนะ ได้ฟังไปแล้วจริงไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนี่แหละศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราดื่มทําไมถ้าดื่มน้ํำธรรมดาเราก็รู้อยู่แล้วดื่มแล้วมันไม่เมาแต่ดื่มสุราเข้าไปแล้วต้องเมาใช่ไหมใช่แล้วดื่มทําไมเราอยากจะเมาใช่ไหมใช่เราเมาอยากมันขาดสติเราจะขาดสติอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่มีใครอยากจะพูดว่าไม่อยากจะขาดสติแต่ว่าอยากจะเมาฮ แต่นี้เมื่อมันเมาเข้าไปแล้วต้องขาดจิตเมื่อขาดจิแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างใช่ไหมก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าจะไม่ทำทำไม่ได้ถ้ามีคนมีนิสัยโมโหโกธานิสัยดุร้ายอยู่แล้วเนะี่ยถ้ามีอาวุธอยู่ในมือเออยิ่งน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดอาจจะขาดการยับยั้งก็ได้เพราะมันคนเมาคนขาดจิตเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือความดีส่วนหนึ่ง เออคือความดีเออถ้าเรางดเว้นอย่างนี้คือว่างดเว้นจากความชั่วเออคือศินห้าเนี่ย ค, คือความชั่วที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้เพราะนั้นขอให้พวกเรากรนัทตา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เราถ้าเป็นฝ่ายคารวะนะถ้าเป็นไปได้ก็งดเออให้มีศินห้างดชุรางดบุรีงดการพนันแต่งดการพนันนยากเหลือเกินแต่เมื่อจริงยากก็ไม่เหลือวิสัย ทดลองเลสิถ้ามันจะรวยมันก็รวยมาพอแรงนั่นแหละในสามเดือนเดือ น, อนสองเดือนสองเดือนเอาสองเดือนเนี่ยนะมันจะรวยก็ให้มันรวยถ้ามันจะจนก็ให้มันจนเลยสิทดลองดูนะจิตใจของเราจะไม่กระเพื่มนะจิตใจของเราจะนิ่งถ้าเรางดได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับคณะศสัตยาญาณโยมทุกทุกทุกคนแล้วก็พร้อมกัน วันพระวันเจ้าวันพระวันศีลก็ควรจะรักษาศีลอย่างน้อยรักษาศีหลห้สาเลกษาศีลอุโบสถ เ, เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราหรือว่าไหว้พระสวดมนต์ทุกวัน อ, อย่าได้ขาดอย่างนี้เป็นต้นนะล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่พวกเราไม่ได้คิดจะเลยหลวงพ่อว่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไป แล้วก็หลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแต่พวกเราทุกท่านที่นั่งฟังอยู่ที่นี่คงจะเถียงขึ้นมาตะกิดตะกิดเหมือนกันนะเอ้าหลวงพ่ออินเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมายืนยันเออทาไมจะว่าตายแล้วไม่สูญเอาอะไรมาพูดในหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเนีอ้างประวัติศาสตร์คืออ้างพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พออ้างพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะนำมาปฏิบัติอีกนำมาปฏิบัติแล้วพวกเราจะรู้เห็นด้วยตนเองไม่ต้องถามใครทีนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่โคลนต้นโพเมื่อสองพันกว่าปีที่พุทธคยาท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้า คือเอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกของพระ อ, องค์กําหนดลมหายใจเข้ารั่วหายใจเข้าหายใจออกรั่วหายใจออกมีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจเข้าออกจิตใจเป็นปัจจุบันจากนั้นพระไทยหรือใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์น้อมจิตที่รวมสงบลงเป็นหนึ่งนั้นย้อนไปถึงอดีตเจะว่าปุเพในวาสานุสติยานและลึกชาติผลหลังได้ ถ้าว่าคนถ้าว่าคนเรามีวันนี้วันเดียวไม่มีเมื่อวานอดีตก็คือเมื่อวานแต่ไม่มีเมื่อวานแล้เ ว, เ, เ, ว เ, กเกิดมาวันนี้วันเดียวเอเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้ยังไงเมื่อวานเราทําอะไรเนี่ยถ้าระลึกถึงเมื่อวานได้ก็แสดงว่าเมื่อวานมีอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าระลึกชาติท้นหลังได้เนี่ยโปเพเนวาสานุจติยานระลึกชาติท้นหลังได้ด้วยญาณทัศน์ของพระพุทธเจ้าเอจากนั้น อท่านก็ระลึกชาติคนหลังไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติยาวเหยียดทีเดียวตอนนี้พระพุทธองค์ท่านกําหนดดูแล้วว่าท่านภาวนาท่านก็แนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายที้มาพูดถึงยุคปัจจุบันเลยอันนั้นคือยังยุคของพระพุทธเจ้าก็ยังห่างไกลไม่พูดถึงยุคของหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน ยุคของพ่อแม่ปูบายอาจารย์ของพวกเราที่เรารักเคารพนับถือจนสืบท อ, อดมาจนถึงปัจจุบันนี้หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นพ่อแม่ปูบายอาจารย์เหล่านั้นท่านก็ว่าให้นั่งภาวนานะให้นั่งสมาธินะพวกเราจะจะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครให้นั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิเท่เนี่ยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายโมรลกรรม หายใจเข้าพดหายใจออกโทรนะอันนี้แหละคือหลวงปู่ท่านสอนนะนะครูบาอาจารย์ท่านสอนเพราะนั้นพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญนะให้หามุมสงบเออในอยู่นั่งอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามอยู่ในวัดก็ตามอยู่ในที่ไหนๆก็ตามอยู่ในมุมสงบไม่ต้องให้มีเสียงวุ่นวายแล้วหามุมสงบแล้วก็ น, นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกำหนดลมหายใจเข้า พดหายใจออกโตวเวลาหายใจเข้าเนี่ยไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องนะแล้วก็ไม่ต้องตามลมออกไปให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกแต่บางคนโอ้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันลมกระทบที่ไหนครับหลวงพ่อเอให้พวกเราหายใจแรงๆนะหายใจแรงๆสืบลมเข้าไปลมกระทบที่ไหนแล้วก็หายใจออกแรงๆลมกระทบที่ไหนที่ปลายจมูกจากนั้นเราเอาสติจับจุดตรงนั้น ตรงที่ลมกระทบนั่นแหละจากนั้นก็บริกรรมหายใจเข้าพดแล้วก็หายใจออกโถหายใจเข้าพดหายใจออกโถเราจิตใจของเราไม่ไม่คิดไปถึงอดีต <Bitcoin. S 2> จิตใจของเราไม่ได้คิดถึงอนาคตใจของเราอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นจิตใจจ่ออยู่ที่นั้นตรงนั้นอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นหายใจเข้าพดหายใจออกโถพดโทพุดโธเหมือนกับเราอยู่ยืนอยู่ข้างประตู ทางขึ้นมาเนี่ยเรายืนอยู่ข้างประตูคนจะเข้ามาเราก็ไม่ได้ตามว่าคนไปนั่งที่ไหนเวลาคนออกไปเราก็ไม่ได้ต้องไปดูว่าคนไปนั่งแต่เราให้รู้ว่าคนเข้ามาแล้วก็คนออกไปคนเข้ามาคนออกไปนี่แหละวิธีการกำหนดลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกจากนั้นจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเ่ยเมื่อจิตใจรวมสงบนิ่ง เ, เราพอจิตใจรวมสงบนิ่ง เราจะรู้ได้โดยตนเนว่าร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละอ่านกันแอบเป็นคนละเป็นคนละอย่างกันเป็นคนละอ่านกันแต่มันอาศัยกันอยู่กายกับใจเนี่ยใจเนี่ย ค, คือตัวผู้รู้รู้แต่ร่างกายเนี่ยก็คือที่พวกเราเห็นกันอยู่ในีคือร่างกายแต่ส่วนจิตใจเนี่ยมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มีความรู้สึกทุกคนว่ามีใจความนึกคิดแต่ทุกวันนี้เขาว่าสมองนะแต่สมองก็เถอะ จะว่าสมองก็ใช่อ้าวมันอยู่ในสมองแต่ว่าคนที่มาใช้สมองนั่นน่ะเป็นใครเอออันนี้ทางวิทยาศาสต ร, ร, ร์การแพทย์ทางวิทยาศาสต ร, ร, ร์เขามองไม่เห็นแต่หลักของพุทธศาสตร์ศาสนาเขาว่าท่านว่าใจมาใช้สมองสมองเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มันอยู่ในหัวของเราเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์มันบรรจุอยู่ที่นี่แต่คนที่มาใช้สมองนั่นคือใครก็คือใจ มากดสมองมาใช้สมองนี่แหละแต่นี้เมื่อเรานั่งภาวนาเข้าไปนะจิตใจสงบแล้วเราจะเห็นคนมาใช้มาใช้คอมพิวเตอร์อยู่ที่สมองของเราสั่งการให้ร่างกายของเราทาอย่างงูทําอย่างนี้อย่างเดี๋ยวนี้กาลังหลวงพ่ออินกำลังพูดก็คือใจสั่งให้สั่งให้สมองพูดออกมาให้แกพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฝั ง, ไ ด, ฝงได้ศึกษานี่แหละนี่แหละหลักของพทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่าน เมื่อนั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วท่านจึงรู้ได้ว่าร่างกายนเหมือนกับรถแต่ส่วนจิตใจคือตัวที่มาใช้หัวสมองนะเหมือนกับคนขับรถเ อ, อรถทุกวันนี้รถที่ทันสมัยเนี่ยรถที่ราคาแพงๆพอขึ้นไปโซเฟอร์สตาร์ทเครื่องตึบคอมพิวเตอร์มันทํางานแล้ว เ, เริ่มทํางานแหอะมันก็วิ่งวิ่งวิ่ ง, ง, งออกมาน้ํามันอยู่ในถังเท่าไหร่จะวิ่งไปได้เท่าไหร่ อ, อ แล้วเดี๋ยวนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มันจะบอกใดนน้อนหมดแล้วตาข้างขวาเป็นยังไงตาข้างซ้ายเป็นยังไงลอกซ้ายลออขวาเป็นยังไงอ่อนไหมตัวไหนอ่อนกว่ากันมันจะบอกในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเสร็จนี้ก็เหมือนกันนะี่ยอันนี้สมองของเราที่อยู่ในศรีรษะของเราพอเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้ได้ว่าเราเจ็บปวดที่ไหนในร่างกายของเรานี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือใจ ใจมาใช้ใจมาใช้สมองเนี่แต่หลักวิทยาศาสตร์เขาตามไม่ถึงแต่พุท ธ, ธะนี่ท่านตามได้ท่านเห็นได้ท่านจึงให้ความสําคัญเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่มากในหลักของพุทธศาสนาเรียว่า ม, มโนโปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเนี่ท่านไม่ได้ว่ากายนะแตท่านว่าใจตัวนามธรรมาตัวนั้นแหละสำคัญ ใหญ่ยิ่งกว่าร่างกายรถคันนี้จะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับท่านให้ความสำคัญคนขับมากกว่ารถนี้แต่รถคันนี้ถึงจะราคาแพงขนาดไหนก็เถอะแต่พอมันมันตายนะสายพานมันหลุดหมอ้อน้า ม, มันแตกลูกสูบมันติดอย่างนี้รถมันไม่ได้เสียใจนะรถมันกระจอดหนึ่งแต่โซเฟอร์เนี่ยเปิดฟ้ากระโปงแล้วเปิดฟ้ากระโปงอีกสองแล้วสองอีก ดูแล้วดูอีกคําแล้วคําหลีกมันเป็นอะไร น, αι, นี่นี่แหละคือโชเฟอร์เนี่ยให้ความสำคัญกับรถแต่รถเนี่ยมันเฉยนี่นี่ก็เหมือนกันนะร่างกายของเราก็เช่นเช่นนั้นเหมือนกันเดี๋ยวนี้ที่เรารูา้สึกอยู่เดี๋ยวนี้กับราะใจของเรามาอยู่ในร่างกายของเราแต่อีกสักวันหนึ่งนะถ้าหัวใจวายอย่างที่คุณลุงที่ว่านั่นนะเอะหัวใจวาย เสร็จแล้วพอตายไปแล้วนะ่ะแล้วทํำยังไง ร, รถคันนี้ก็ต้องทิ้งนะ่ะพอซ่อมไม่ไดแ้แก้ไขไม่ได้ซ่อมไม่ได้พอในสุดก็คุณลุงคนนั้นก็ต้องออกจากออกจากร่างน่ะท่โซเฟอร์ก็ต้องออกจากร่างนะขยับที่ไหนก็แก้ไขไม่ได้นะออกไปแล้วออกไปนะั่นแหะจุดที่ออกไปนะนะั่นแหะพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญอีกอย่างมากอีกเหมือนกันถ้าว่าคนเราออกจากร่างตัวนี้ไปแล้ว ถ้าหากว่าเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เราไม่ได้คิดว่าล่ะเราจะตายแล้วตายแล้วจะเกิดอีกเราคิดว่าตายแล้วศูนย์เราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมเ อ, อตัวอะไรเลยมีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเป็นวันวันกินเหล้าเมายาเที่ยวสัมมเละเทเมาคบหมู ค, บ, คบเพื่อนไปเลยไม่ได้สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่ได้สนใจเรื่องคุณงามความดีไม่ได้สนใจเรื่องศีลสมาธิปัญญา เรามีแต่เที่ยวมีแต่เล่นนั่นแหละเทนี้พอออกถึงคราวมาแล้วเทนี้พอรถคันนี้ตายเท่า น, นั้นแหละเทนี้เอ้ใครๆบอกพอรถตายโซเฟอร์ออกจากรถคันนั้นเราจะทำอย่างไงนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดเอาไว้ว่าเมื่อรถคันนี้ตายแล้วเราจะต้องหาหาทุนทรัพย์เออหาทุนทรัพย์ซื้อรถคันใหม่อีกถ้าพวกเรามีความไม่ประมาท ไม่บรรพ์คือสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วบุญกุศลนั่นแหละจะพาพวกเราไปสู่ปัลโลก เ, เป็นผู้พาไปถ้าหากว่าโซเฟอรออ์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถึงว่าเออรถคันนี้ถึงจะดีขนาดนี้ก็เถอะอีกสักวันนึ่งอย่างหลวงพ่ออินนั่งอยู่ในนี้กำลังพูดหลวงพ่ออินก็บอกเอออีกสักวันหนึ่งรถหนลวงพ่อเนี่จะต้องตายแตกตายสลายแน่ๆเอาเถอะ S <S <an> เ, เมื่อรถคันนี้ตายไปแล้วเนี่ยเราจะต้องได้ต้องได้รถคันอื่นที่ดีกว่าเพราะเราอย่าไปนอนอย่าไปชลดใจกับรถคันนี้นะไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะมันจะต้องออตายแตกสลายแนเ่เมื่อออกจากรถคันนี้แล้วเราจะไปยังไงที่ไหนอันนี้หลวงพ่อเตียมพร้อมไวอยู่เสมอเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่ได้ฟังเสียงหลวงพ่อเนี่ยให้หลวงพวกให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้เตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอว่าเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องหนีจากรถคันนี้แน่นอนเมื่อรถคันนี้ อ, อ, อีกหมดอายุแล้วเขาจะต้องเอาไปเผาไฟทิ้งเอาเป็นเอาไปบรรจุที่หงซุยแล้วไปเผาไฟทิ้งแล้ววิญญาณได้ใจของเรานั้นออกจากร่างแลวเราจะไปที่ไหนเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่สำคัญในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ลึกกไปอีกว่า ให้พิจารณานะร่างกายสังขารเกสาโลมานน้าขาทันตาตาโจาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะเขาจะต้องเผาไฟทิ้งนะใจนะท่านสอนโซเฟอร์นะส อ, อนโซเฟอร์นาใจนะโซเฟอร์เพื่อนได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาพิจารณากันกรองไตรตรองเออใช่รถคันนี้จะต้องทิ้งขนาด รถเราขับออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เขาก็ยังจ ะ, จะเผาไฟทิ้งแล้วส่วนอื่นละ่ะสามีภรรยาลูกหลานเงินคำทรัพ์สมบัติอย่างอื่นละ่ะมันจะเป็นของเราได้ยังไงขนาดร่างกายของเราแท้แท้ยังไม่ใช่ตัวตนของเราเขาก็จะไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วทำไมใจนะอย่าหลงนะใจนะนี่แหละอันนี้คือเป็นพูดเป็นภาษาใจของตนเองนะภาษาใจไม่ใช่ภาษาคาพูดนะ แต่พวกเราอยู่ในหน้าที่ใดหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่ออินเนี่ยเป็นหน้าที่ที่จะต้องพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ส่วนลึกของใจของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะตกสอนหลวงพ่ออินสอนใจหลวงพ่ออินนะใจหลวงพ่ออินสอนใจหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินเอ้ยถึงจะอยู่ในศาลาวัดวาศาสนาคู่ขนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายขนาดไหน อีกสักวันหนึ่งนะหลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมดนะเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างนะนะีหลวงพ่ออินจะสอนหลวนพ่ออินจากนั้นหลวงพ่ออินจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่ในนะสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลก็พยายามทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมครูบาอาจารย์น้องนงุ่งทั้งหลายให้คิดคิดดูอย่างที่หลวงพ่อโพูดเนี่ยหลวงพ่อเอาความจริงมาพูด ม, มากล่าวมาเตือนย้ํา ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้เมื่อคุณงามความดีเต็มใจของเราแล้วเต็มเปี่ยมในใจของเราและเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันแล้วเราจะอยู่ที่ไหนก็อยู่เดอะที่นี่เราเป็นเศรษฐีแล้วถ้าเป็นพระอรหันแล้วก็เป็นเศรษฐีจะตายเวลาไหนาจะอยู่ยังไงมีแต่ความไม่ไม่ไม่ไมทกใจเลย ออตายที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นดีทั้งนั้นเพ่ อ, อะไรเพราะเราเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ถ้าว่าเรายังเป็นพระพระปุถุชนและเป็นปุถุชนอยู่เราไม่ควรจะชลาใจไม่ควรจะนอนใจควรจะสั่งสมเก็บบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราอย่าไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอย่าไปทําอะไรนอกลูนอกทางสิ่งไหนที่มันผิดธรรมผิดวินยัยผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ห้อยขอให้พวกเราสํารวมระวัง สรุปแล้วก็คือให้เป็นพระที่ดีญาติโยมที่ดีคิดดีพูดดีทดําดีพวกเราจะไปสบแต่ความสุขความสบายใจและก็เรื่องภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าให้ภาวนาพวกเราอยู่ในบ้านคงเราก็ทําได้เวลานั่งภาวนากงว่ายพระตอนหัวค่ำาชปิตยุดับหมดโทรทัศน์ดับหมดโทรศัพท์ก็ดับไปก่อน อย่าให้มันรบกวนเราขณะที่เรานั่งภาวนาสี่ยี่สนาทีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจากนั้นเราไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิอย่างทีวานอย่างพระประธานนั่งจากนั้นก็ภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโตนี่แหละถ้าพวกเราทําพยายามทำอย่างนี้บ่อยๆหลายๆครั้งจากนั้นจิตใจของเราจะได้รับความสงบเมื่อจิตใจสุขเข้าสู่ความสงบแล้ว เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจเนี่ยอเป็นขนละอันกันจากนั้นพวกเราก็จะเอเห็นกายเห็นใจจากนั้นก็ใจของเราก็จะมีหลักถึงจิตใจมีหลัก เ, เวลามีอะไรเกิดขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ภาวนาเอเข้ามาหาใจของเราใจของเราก็นิง่งสงบเอไม่กระเสือกกระสนไม่บุ่นไม่วายาพร้อมที่จะปล่อยวางได้เมื่อถึงข่าวสุดท้าย ปลายแดนเออรักษาไม่หายละข่าว น, า น, น, านะานี่ตายแน่เป็นมะเร็งนะตายแน่ตายแน่เอาเถอะบุญกุศลคุณงามความดีเข้าไปเจ้าได้สั่งสมคุณงามความดีมาแล้วเอาพร้อมที่จะรับออในเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างฮนี่แหละถ้าจิตใจของเรามีหลักมีกฎมีเกณฑ์จิตใจของเราจะเที่ยงตรงมั่นคงไม่หวั่นไหวควยแควงแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายเลยเนย เออพอเขาว่าเป็นมะเร็งนะเออกินขี้หมาหายนะจะไปกินขี้หมาเขาให้ทำอะไรทำหมดทุกอย่างเพื่ออยากจะหายแต่ตามให้จริงมันไม่หายเพราะเหตุอะไรเพราะว่ามันมันเป็นขนาดนั้นแล้วมีแต่ทาใจท่านเองให้ภาวนาทำใจให้นน่งทำใจให้สบายให้ดูให้วิ่งเข้ามาหาจุดเดิมคือใจนี่แหละใจมีหลักเดิม เพรพวกเราจะมีความสุขนะคณะสัตยาญาิโยมลูกหลานนะไม่วันไห ว, วไวยแกลง น, นะเพราะฉนั้นให้ฝึกเอาไว้เรื่องจิตภาวนาเนี่ยรักสงของใจเนี่ยให้ยึดให้ทึกให้ยึดธทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าให้ยึดสมาธิธรรมเข้าสู่ในใจอยู่สู่ใจเมื่อเรามีสมาธิธรรมดีแล้วนะความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราอันนั้นเป็นอนันตาการอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะ แต่ถ้าว่าพวกเราเไม่ได้ภาวนามีแต่เควงคว้างไปเรื่อยๆจะหาความสุขไม่ได้นะวันไหวไกวแหวงไปเด็ปุงฟุ้งซ่านไปแต่ละวีดแต่ละวันหาโกรธหาเกณฑยไม่ได้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปกันกรองไตรตรองเหตุและผลนี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกกล่าวเอาไว้ว่า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 ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควนทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นกันกรองไตรตรองดูซิมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็นำมาประพฤติธปฏิบัติเพราะเหตุผลตรงตัวหลังจากนั้นก็ภาวนามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจรวมลงเป็นหนึ่ง เมื่อจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็นำมาจิตใจที่รวมผ่านการสงบนั้นมาพิจารณาถึงไตรลักษณ์หรือว่าพิจารณาถึงกรรมฐานหเกสาโลมานขาทันตาตะโจให้เห็นเป็นอนิจจังให้เป็นของสิ่งไหนที่เป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นม่ใช่ตัวตนของเราเนี่แหละเราก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า จากนั้นเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นจากนั้นก็จิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวัคิเลสถึงแดนพระนิพพานไม่มาเวียนไห้ตายเกิดเป็นอนันตการเนี่ยมันจะไปลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโมทธนิยกถาให้แก่คณะทนาญาติโยมครูบาอาจารย์ที่มาคารวะในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา